ฟังตามกันเน้าะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมซึ่นเรามาทำมานเกี่ยวกับการปฏิบัติเราต้องได้เหตนที่พิถ ท, ทางถัพอสมควร มาจะสะดวกแล้วก็เราเดินทางได้แสนที่แล้วก็ตัดสินใจได้คิดถูกก็ทำให้เดินทางได้สะดวกเร็วขึ้นการปฏิบัติก็เหมือนกันเข้าทางเข้าที่มันจึงจะสะดวก ถ้ามัวเดหลงทิศหลงทางอยู่ก็ไม่สะดวกแล้วก็เสียเวลาถ้าพระเจ้าบำเินตทางจิตเดินพระเจ้าได้ก็เพราะจิตที่เดินทางถูกก็เดินทางจิตก็ไปไม่ได้บนเรี่องความแก่ความเจ็บความตาย ทางนี่คือเดินทางใจไ่ใช่เดินทางกายไม่กินเสื้ที่ไม่กินสารที่เดินทางจิตเนี่ยเกี่ยวคนเดียวที่ไหนควรนั่งลงก็อยู่เฉพาะในที่นั่งยืนก็เฉพาะ อ, อยู่ที่ยืนเดินก็เฉพาะ อ, อยู่ที่เดินและกินไม่กินพื้นที่ฝนจะตก แจะออกก็จะโลดจะเป็นการช่นกางวันก็ทำได้ก็มีความสะดวกพอสมควรการเดินทางจิตเวลาเราประกอบความเทียนเช่นวิชากรรมฐานนี่เหมือนเดินทางจิตจริงๆบอกจุดบอกถูกจริงๆนี่จะสติกันในการสุ็นปรจำก็เหยียบเพื่นดังได้แล้ว พอ เ, เกิดขึ้นมาก็รู้จักตัว เ, เกิดขึ้นหลังกายก็รู้จักตัว เ, เกิดขึ้นหลังใจก็รู้จักตัวอย่าให้เป็นอิริยาเราเคยเดินทางผิดมามากแล้วคอเห็นลูกก็พอใจไม่พอใจมันขวงเอาไว้แล้วความพอใจความไม่พอใจมันขวงทาง หูดินเสียงก็พอใจไม่พอใจจะไปทางวางไปไม่ได้หลงอยู่ดี่คนเย็นอยู่นี่ไปไม่ถึงไหนอะไรความทุกข์ก็เป็นทุกข์ความปวดก็เป็นความปดรักความชังกลเป็นควรักความชงนาวงอยู่นี่ไม่มีทางไปอยู่ รู้สฉกตัวซะเวลาเราปฏิวัติเวลาบำเพ็ญตัณจิตรู้เฉกตัวอะไรก็ตามแต่คุณาีใจที่ใจนี้ให้รู้สฉกตัวเรามีงานอนักดิถ้ามีจิตจะเห็นถ้าไม่มีจิีก่อนเข้าไปเกินถุ ก, ก็เป็นถุกทุ ก, ก็เป็นทุกเป็นยแล้ว ม, มีสติถ้ามีสติก็จะเห็นบรรจุกไม่ได้เป็นผู้สุขเห็นบรนทุกไม่ได้เป็นผู้ทุกข์บางคนหลายอย่างกันมีสติแต่นี้ได้ว่าได้ทางเหมือนกับจักรยานไม่ติดเหมือกับเดินทางรถก็จักรยจนติดก็เสียวเวลาทุกเป็นทุกเสียวเวลา ถูเป็นถูกเียวเวลาลักันลักเกียจจนเกียจเกียวเวลาระดับรู้เนี่ยไปงัดไปอย่างนี้บางทีว่าจะชินทางทา ง, ทงรางกไปเสร็จแล้วตันกันไปเสร็จแล้วมันชินแล้วเพราะว่ามัานไม่ใช่จะเดินถูก เลยกินจินนิใจกินบัะใจโมหาจะดิบไปตา้าจะดิบไปโทวสั์จะดิบไปแล้ก็กินไปทานนั้นเท้าลกก็ฟ่องไปสางขารถูกเป็นทุกข์ก่อนก็ยังทุกข์อยู่ยังบกพูดนอยู่ไม่รู้จักถอยกับพระเจ้ายัาง ตัดบอกสอนอยู่มอสอนความใจวมไม่อใจออกมาให้รู้สึกตัวจากีได้ยินไหเนะนะผมไม่ได้ยินอะไรเลยสียไม่ได้ยินเสียงเพงสูดนะโอหนักผู้ฟังได้ยินนะ <laughs> <า> <c oughs> ไม่สนุกการพูดการสอนอไม่ค่อยสนุกเนาะ <c oughs> <c oughs> การตัวการสอนอยางไม่สนุ ก, กเท่าไเนื่งประกอบไม่ค่อยดียั้งก็ไม่ค่อยจามีหูก็ไม่ค่อยจะได้ยินจุ่มจีจมหไปอะไรยังไงจะอาย่าฟังเอายั้งอย่าฟังเอาอะไรฟังเอาเ ถมันเกะเข่นที่พูดนั้นมีไหมหลงมีไหมหลงจะงสัมผัส ด, ดูรูปงางสัมผัส ด, ดูมันเกิดท่าเดียวกันอยู่ด้วยกันต้องสัมผัสเอาไม่ใช่ไหคิดเอาังเหตุตังผลมันไม่ใช่ มันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้คำตอบจากความคิดมันไม่ถูกต้องเหตุผลไม่ใช่สัตยธรรมนะสัตยธรรมไม่ใช่เหตุผลมันจริงมันหลงกับลูกต่างกันอยู่ความหลงไม่ถูกต้องจะตัดถึงใจได้ความรู้ไม่ถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้อง ว่องรู้จักตัวถูกต้องอย่างนี่เราก็เลือกได้อย่าเนี่ยไม่ยากว่าไม่ต้องถามใครใครจะพูดใครจะว่าอะไรก็ว่าไปมันอยู่ที่ตัวเรานี่เราสัมผัสแต่ว่าสัจธรรมมันต้องเป็นจริงตอบได้เองการมนเตือนดังกฤษ มันก็ง่ายง่ายไม่ยากไม่ต้องคิดหาคำตอบในตหลักตาลาเอากายเอาใจเป็นตาลาอาการเกิดขึ้นกับกายกับใจเยอะแยะแปม่สี่พันเรื่องให้รู้จักตัวอย่างเดียวเป็นตัวเฉลยให้รู้จักตัวเป็นตัวเฉลอยอะไรเกิดขึาก็รู้จักตัวจากนี้มันจะไวมันจะวลั นัดสัด้นไม่ยืนยาวไปเดินชา้าถ้าทำถูกเดินได้ไวไปได้ไวไปได้ไกลเหมือนคยแท้าทาอาวุธจำนานยิงแม่นไปได้ไกลยิงได้ไวแม่นข้าศิกบา ปาบได้กาลังพนได้น้อยแต่ปาบข้าศึกได้บ้างนี่เศรเนี่ยจะหลงเป็นหลงข่าศึกชนะแล้วทุกเป็นทุกข่าศึกชนะแล้วจะหลงเป็นลูกหรือว่ากาลังคนเข้มแข็งข้ศึกแพ่ไปแล้วจะทุกเป็นลูกข้าศึกแพ่ไปแล้วกาลองคนเข้มแข็ง มันเป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมมันต้องไม่มีคําถามมีแต่คำตอบตัวเองก็ตอบตัเองได้อย่างนี้ถึงมั่นใจอย่างนี้นก็เลือกได้อย่างนี้กกนทิกทุกเกิดขึ้นที่เราเนี่ยทุกทุกเกิดขึ้นที่เราเนี้ยอย่าไปโทษคนอื่นอย่างเนี้ยเขาว่ากับเราเขาว่ากับเรากระทำอย่างนั้นนี้ยไม่เกี่ยว แล้วอาจจะยิ่งน้อยๆก็ได้บางคนอื่นว่าอะไรเ น, น, น้ทาสนับสนุนอะไรก็จามเกิดขึ้นในโลกเนี่ยอาจจะยิ่งด้อยๆเราไม่หลักอย่างนี้ยิย่งน้อยๆให้กับตัวเองอย่างเนี้นี่คือสองจริงมาปฏิบัติมาศึกษาเรืนี้มีค่ามาก นาทีหนึ่งวิดาทีหนึ่งมีค่ามากได้สอนได้บทเรียนได้ประสบการณ์กับการใช้ชีวิตของเราอย่างเนี่ยสันจังมีค่ามันไม่จะอยู่เฉยๆฉยวางคนประกอบกันเวลาชีพด้วยมือด้วยวัตถุแต่บาบอมเพนทางจิตนี่อาจจะหาคำตอบเก่งอาจจะคิดเก่งก็มี ทำมาจังทำอย่างนั้นทำมาจังทำอย่างนี้มันเสียเวลาสัมผัสไปเลยไม่สูดไปเลยมีสติปันกาเป็นประจำไปเลยวิธีใดที่จะรู้ถึกตัวเอากายสันติตั้งเป็ น, นมิตที่เกาะไว้ก่อนแม้มันมี จ, จิตใจมันก็จับมันไม่ได้ถ้าวางของ ติมันไ ม, มไม่มีใครเห็นหนกนี่แต่สติเขาด้า น, นที่เป็นรู้ตาต้รู้ไปได้ในถ้าหวางเคยความรู้สึกตัวเนี่ยต้องไปรู้ได้อย่างเดียวประกอบขึ้นมาให้มันมีความรู้สึกตัวให้มันมีมันมีความพร้อมเหมือนกันอยู่ในป้อมปราการเพื่อดูค่าศึกพร้อมอยู่เสมอ มาไหวไปไหวยิงไหวอยู่จะเบื่อถ้าไปป้องก็ไม่รู้อะไรก็เข้าถึงก่อนถูกเข้าถึงก่อนทุกเข้าถึงก่อนดีใจเสียใจเข้าถึงก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นมานานแล้วเคยชิดแต่แล้วเราจงฝึกตนสอนตอนเนี่ยที่น่าที่หนึ่งตูวที่หนึ่งเนี่ย จะมองเนมันต้องหลายวินาทีหลายวินาทีหล า, าทหลายลูกมากลูกขึ้นมามันจะตึนอย่างไรมันอยู่ที่การกระทำของเราเรียกว่ากรรมกรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นวิชาที่วิชิตไปเองจะแมกไปเอง ว่าแต่ตั้งหลักให้ถูกความถูกพาไปถ้ามัมีกรรมฐานความคิดพาไปถ้า ม, มีกรรมฐานความถูกต้องจะพาไปเปแรกก็ จ, จะจะจ ะ, จ ะ, จะไม่สะดวกหลออย่างที่มันเกิดขึ้นว่าแชกแข็งความ่วงความคิดปุ่งจานความเบื่อหน่ายความขี้เกียจ อาการต่างๆศุกบ้างทุกบ้างก็อย่าก็เทหัดเอาไว้อะไรก็ตามแต่เป็นจุกเวทนาทุกเวทนาเกิดขึกัรู้ไว้อย่าให้จุกมันเป็นจุกให้ทุกเป็นทุกให้เป็นความรู้ซะเนี่ยอย่างนี้บบกรรมฐานเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แก้ได้ไดตลอรู้จิกตัวเลยเป็นตัวเฉลยเป็น เป็นตัวหลักอากมาเฉลยตรงนี้ลงตรงนี้นี่ตาในตาในเดินขึ้นมาให้เห็นอย่า ก, ก็ไปเป็นถ้าภาวะถ้าถึงภาวะที่เห็นแล้วมันจะสะดวกมันจะสะดวกเห็นวความปังเที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ม่ใช่เอาความปังเที่ยงมาเป็นทุกข์ มาได้อาความเปนทุกข์มาเป็นทุกข์ก็เห็นน่ะถ้าไปเห็นก็จะเป็นไปเลยมันมีที่เหล่านี้มันมีอยู่ในทูกในนามนี้ในกายในใจนี้มันจะเห็นอยู่เหล่านี้ที่มันมีอยู่เมื่อเราเป็นทุกข์คยเป็นทุกข์กวบไมาเที่ยงเป็เป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ ก็ได้เห็นแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์มันง่ายๆอย่างนี้เป็นทุกข์เพราะความพลาดพลาดจากของนอกของยอดใจเอาความไม่ใช่ตัวตนมาเป็นทุกข์ ม, ม, กขมันไม่ใช่ความเป็นทุกข์หรือบางเปใช่บางอยู่ที่นี่หนึ่งละเราไม่ต้อนรับทุกข์เราไม่ต้อนรับ เราดูจิตตัวเปริญจิตท่มทุกขมันอกรตกกะมันจริงมาความไทุกข์เหมือนเจ้าของสติเป็นเจ้าของกายจะติเป็นเจ้าของจิตใจนี่หมายเหตมันเถื่อนจะอะไรให้เกิดเป็นทุกข์มันไม่ใช่ ไม่ตอนรัไม่มีที่อาศัยง่ายทุกข์มาอาศัยในกายเลี้งใจนี้ไม่มีค่าไม่มีค่าไม่มีค่าความทุกข์ความสุขไม่มีความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของทําไงเราทำได้อย่างนี้ก็ต้องฝึกนี่แหละถ้าไม่ฝึกมันทําให้เป็นไม่ใช่รู้ หวงลูกอั น, นี้ทั่วทั่วไปการสอนใน้ลูกวุ้นก็สอนให้ได้แต่การทําให้เป็นเนี่ยเราต้องทําเองทําให้มันเป็นเวลามันหลงลูกเนี่ยทำให้มันเป็นเวลามันทุกลูกทําให้เป็นหัดเอาไหวเวลามันโกคดีลูกทําให้เป็นหัดเอาไว้ มันคิดไปกับลูกหัดเอาไว้เวลาฝืนหัดก็ต้องหัดทุกรูปแบบอย่าเฝืนใช่อย่างอื่นเวลาเราเขากลับมาถอนมาใช้หาเรื่องมาคิดมันใชอมันใช่ใหความคิดตาหิวหนีตาไปไ้วก็ได้ความคิดเนี่ยนั่งอยูนคิดในลูกกัลูกไป เอางขารงที่เกียจชาไปยอมเบืนอไาไปเอาความคิดเป็นใหญ่เป็นตัวเป็นจุกของความคิดเป็นทุกข์ของความคิดเป็นไม่ใช่มาใช่ ใ, ให้ความคิดเป็นใหญ่จนอาศัยห้อยแขนไกับความคิด ต่อคิดปไปห้อยแขนว้กับสองคิดแล้วก็เปะาะบางม่มันม่นใจตัวเองแล้วใจคิดมันจะพาไปไหนตามหน้าหนาจนคนอนิจจังจนคนอนิจจังไม่มีที่หลักไม่มี้ม่มีฐานมีที่ตั้งเขาหิวไปไหนก็ได้มีใจก็พพ่งใจไม่ได้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรคุ้มร้ายคุ้มดี ถไม่ัเป็เปอย่างน้นอารมณ์าไปอามมันเป็นใหญ่ในใจมัไม่ใช่ความรู้สึกตัวอมมันก็ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ชีวิตจริงเเียกเจยเียกความทุกข์เปียกความโกรธเจือเปียกความ พิจูตกองบนเศร้าหมองชึ่อวัยใช่เรื่องจิตถ้าเราไม่ฝึกเอาเสียงน่ามาเป็นจิตกูดได้โกรธเรียกว่ากูใช้ากูได้รักทำด้ำความรักโกรธก็ทำน้ำความกโกรธเสียผู้เสียคนมันเป็นเนื้อใจอย่างนี้จริงๆถ้าเราเห็นน่ะ กลัวม่แต่ความคิดตกหน่ากลัวน่าเกลียดถ้ามีสตินะอันคิดที่ไม่ตั้งใจนะ่ะทุดกันมาคิดไปโดน่นวัยมันมาวัยสติต้องวัยถ้าหัดมันไม่ไหวคิดไปอะไรก็ดุจเจตัวเนี่ยรูมาดุเจตัวหาที่ตั้ง กมามฐานเข้าแขนเข้ารู้สึกตัวอยู่เอย่าแขนออกรู้สึกตัวอยู่เนี่ยกอรคิดไปกับมาเนี่ยต่อไปเดี่ยต่อบอลรู้สึกตัวเนี่ยมันสามารถเคลื่อนไหวให้ให้ความรู้สึกตัวในน้ำหนักเพระาะที่เาใชกรรมาฐาน พระพุทธเจ้าเกิดปฏิบัติแบบนี้นั่งคู่จะเข้ารู้จักตัวอยากฉันออกรู้จักตัวดาวเป็นชิดถึงเิื่อบากรรมมารู้จักตัวดองคิดแรงดางหุ่นกรรมมารู้จักตัว ม, าา ม, าวมววันมมจ้องคิดคนเคยคิดคนมีลูกก็คิดแต่คนมีลูกไม่มีเมียม่ฟัวก็คิดแต่คนมีเมียมีฟัว คนมีสุขมทุกข์คิดแต่คนมีสุขทุกข์กลัอมารู้สึกกัวเลยทำอย่างนี้ให้รูส้สกตัวตั้งหลักนี้ให้บันแน่นหนาะให้รู้สึกตัวอะไรเกิด <c oughs> ขึ้นารู้สึกตัวดู้สึกตัวทำไปทำไปก็จำนานมาไว้กว่าอยงเองง่ายหม่เหมือนกันขึ้น ชวนกัดแสทำแตาเล่าเหมือ น, นอกันไหวง่ายง่า ย, น, ายนิดเดียวควรู้สึตัวไม่มีอะไรมามายุ่งยากไม่เกี่ยวกับพิธีรีจองไม่เกี่ยวกับปฏินิกายไม่เกี่ยวกับเพศวัยอยู่กับความรู้สึกตัวมันอยู่ที่นี่ สะดวกก่อการใช่อย่างเรียนความรู้สึกตัวเป็นกายความรู้สึกตัวไปในใจเนี่ยให้หัดอากนี้ถ้าไม่หัดมันทําไม่เป็นเกิดวันหน้าวันไม่ใช่น้อยถ้าหัดดีๆกันถ้าหลงช่องหนึ่งลูกช่องหนึ่งลู้เท่ารูตจันด์เนี้ไม่นาน ทุกทีหนึ่งกับดูทีหนึ่งเนี่ยมาไม่นานดูเท่ารู้ทันหลงลอยข้งลงู่ลอยข้างทุกลอยข้งลู่อยข้งอันนี้ประสบการณ์เรื่องนี้ได้บทเรียนจากนี้น่าจะขอบคุณความหลงมาให้เราได้ความรู้น่าจะขอบคุณความทุกมาให้เราได้ความรู้ มันหมายให้เราได้ฝึกมามาทำให้เราได้อ่อนอเกิดอุปสรรคใดๆเหตนทุกข์เนี่ยจริงจะพูดเจ้าได้เหตความหลงจริงจะพูดเจ้าได้เกิดตรงนี้เกิดตรงที่มันไม่ถูกต้องกลาเป็นความถูกต้องอะไรก็ตามอยู่ที่นี่ โลกนี้ีความไม่ถูกต้องในความถูกต้องเขตัวจากนี้ปฏิบัติธรรมรเอาเช่ดแวลยยกอะไรว่าเป็นเสียบเทียบมันง่ายๆอยงนี้ให้หาเวลามาฝึกแต่ดี้ถ้าตลาจิตเนี่ยมันจำเป็นแล้วก็มีจิตวิญญาณอย่างนี้อย่าปวดทิ้งจัะ แม่สมมติความเจิญที่วัดมีชีวิตเนี่ยหนึ่งละจิตวิญญาณนี้อยู่ถ้าจิตวิญญาณไม่ดีอันเดิมก็ผิดไปหมดสุขภาพก็ไม่ดีแะเบียบวินัยก็ไม่ค่อยจะดีถ้าจิตวิญญาณดีสุขภาพดีรละเบียบวิญญนัยก็ดี เจติตก็อาจจะดีนะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องจิตใจเนี่ยเราเปิดมาอกจิตจิตต่นเต้นช้ชีวิตไปยังเงยืนมากที่สุดเลยแต่การพัฒราจิตน้อยมาก จึงใส่เจอเรื่องจิตวิญญาณด้วยมันมีอยู่จริงเจดานอนก็ไหลมันมีความไหลมีการป้วงแฉงแต่ว่าคิดอยิงเจดานอนหาเรื่องที่คิดไม่อยากคิดก็คิดเพราะมันไม่เคยฝึกจิตมันไหลไหลไปทางใจด้วย เส้นกองโกรดเนี่ยไหลง่ายผมไปโกรดไม่ไม่ไหลเลยไปเจอทางจำมันง่ายเส้ทุกขอน ง, ง่ายมันไหล ย, ยึดมันถือมันรนึกว่าเราความคิดเนี่ยมันก็เป็นอลไรอย่างให้เกิดความหลงมากง่ายสวรรคของปิต ค, คือความคิดดื้อด้าน ทุกชนจึงระวังจิตผู้ใดระวังคิดผู้นั้นจะพ้นจากวงแขวบ้านเ <c oughs> จ้าสอนอย่างนี้เยสิตังสันเมสันติมาลัสิมาลาฐานธนามาันปลาฐันคิดเนี่ยหน้ากที่สุดไม่มีอะไรจะไปะดูถันมันจักจิตเท่าล้าน ประกอบขึ้นมาให้มันมีถ้าไม่ประกอบมันจะไม่มียึงมาถ่กรรมมาถานเนี่ยเนี่ยที่เรียกกรรมมาถานเนี่ยมันจำเป็นที่การกระทํามีที่ตั้งแห่งการกระทําจำเป็นมากสาหรั บ, บชีวิตของคนเนี่ยยิ่งทุกวันนี้ มีสิ่งที่จิดบังแยกแยะไม่ดูตัวเองหลายง่ายทีจุดถูกรอบไม่ค่อยจะดีตอบางความคิดจิตใจจิงเป็นเดึกจะเป็นหนุมบ้างงาเปรียบจะได้ใช้ชีวิตไปดานนา น, น, าน จะรอเม่เท่าหมอแจะจาเป็นตั้งแต่ลงนมเนี่ยนะเราจะเป็นเพื่อนเรื่องนี้จิไม่เป็ น, นเรื่องนี้จะไม่พาหลงทิศหลงทางพออยู่กันหน้าก็อยาให้ตั้งใจแมันจะจกสตการที่ก็อย่าไปออกมาอ้างไม่จุนเนืที่ปฏิวัติทำเลย แด้ที่นนั่งก็ใช้ได้แล้วได้ที่นอนก็ใช้ได้แล้วาลการดูจิตตัวอยู่กับทุกๆุกอริบุตอยู่ในตู้เดดามนี่ในกาในใจนี่ก็อย่างนี้จริงๆจงีว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้เลยเสียดายเสียดายโอกาสแจกผู้คนต้องหน่ยเป็นผู้คนเป็นทุกข์เสียดาย เห็นคนกูก็เสียดายเสียดายน่ า, จาเจ็บขอไม่รูถ้าไม่รู้ตรงนี้ก็ไปใหญ่ถ้าขอรู้จักตัวจาแล้ก็แค่ได้อยู่ถ้าได้โกรธแล้วก็ตำหนายาต่างๆได้แตกแยกอะไรเสน่ท่ากันได้ถ้าได้หลงก็ไปกันใหญ่เปลี่ยนมันเท่านี้มันไม่ยากเด้ มันเสียดาตรงนี้เป็นจุดตอนที่จุดเด๋วอยากแกบอกเรื่องนี้ว่าเรามาทุกไปทุกก็ได้ความทุกไปถูกต้องความไปทุกถูกต้องเรามันโกรธไม่โกรธก็ได้แก้ได้อยู่แช้ได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่ต่เรโกรธไว้ถูกต้องผมไม่โปวดผงรู้จึกตัวถูกต้อง ย่อมจะบอกจ่างนี้วเสียดายคนที่มีทุกข์ยิ่งขวัญดแต่ไม่น่าจะทุกข์ไนสิ่งที่ไม่ทุกข์ก็มีอยู่กับเขาดั่งแล้วเขาไม่จะเปลี่ยนเขาไม่ค่อยเปลี่ยนถ้ามีจิตืจเล็กน่อยจะยับยังชั่งจิตไม่ผลันผลันแล้นยับจั้งช่างใจไว้ก่อนรู้จึกตัวอย่าด่วนรับอย่าเพ่งด่วนปฏิเสธ ตาเห็นโูกกว้าทั้งวนรับอยาเงประเจหัดเอาว้อย่างนี้ให่งวกอนอยู่กลางๆไว้ก่อนอยู่ตรงๆไว้ก่อนใหู้สิ่ตัวไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจง่ายเกินไปตามตความทุกข์ตามตามความโกรธเดินท่ากันตายิ่งอ า, ง ท, างทล า, ายลางเดางมากมายซึ่ง โอ้รับผิดชอบเรื่องดีแน้สถานที่เราคงมีอย่างนี้ก็เราพอจะอยู่กันได้แต่ถึงนี้เป็นเพื่อนกันชีวิตเราไม่ควรจะเติมใยนั่นไม่ควรจะเตินทุกไม่ควรจะเศร้าโศกหรือโศกงมงายเศ้าหมองรู้เักตัวรู้เักตัวเด้อฝึกกรรมฐานนี่ ในธรรมชาติจะเหลือชีพได้ทั้งหมดเลยถูกต้องทั้งหมดเลยได้คิดได้ทางมีทางย้ายไปไหลไปถูกมัดถู่วนจบได้สำเร็จได้สิ้นสุดได้ ส, สุดได้ชีวิตมีม่รเราเลหมดแล้วูหมดงก้งกายูหมดจบลงง่าย ก็ลเลยจะอิจฉาจะเดียวมันอยู่ในความแฉะความเจ็บความตายไม่ได้เจะผู้แฉะไม่ได้เจ็บผู้เจ็บไม่ได้ตายผู้ตายถ้าหลงคุณหัุมันจะเป็นคนละอันกันเห็มันแฉะไม่ได้เป็นผู้แฉะเห็นมันเจ็บไม่ได้เป็นผู้เจ็บเห็นมันตายไม่ได้เป็นผู้ตายไม่ได้ตาท่ว้มตาย มันตายไม่หลงกับพร้อมตายมันรู้เจ็บตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแน่นอนเราต้องแจ่ต้องเจ็บต้องตายเราจะต้องเสียงตัวไหวศึกเาไว้พระเจ้ารู้เรื่องนี้จริงได้จริงได้เอามาตมาอบมาเฉลยว่าศอนคนได้มต่อของบาบลับดีชอบ ผู้คนก็เห็นความแจ็กความเจ็ด ค, ค, ความตายเป็นโจทย์ตัวใหญ่ถามใครมาใน ใ, นในครรู้ก็เสื่อ้ใจริงศึก ษ, ษาเรื่องนี้เด็จออกต้องก่อนวดจนได้สําเร็จังนี้ว่าพุทธะสอนคนเดินู้จอมพระเจ้าสมมาสมพุศเจ้าสอนคนลู่จา ม, มากมาย ยกนิ้วมาเฉยๆพุทธศาสน์ทวันนี่นะนี่คือชีวิตาเฉยๆเป็นางน้นะเด็เด่หมดแรงไม่จะกฝนก็มีเนาะแต่ตอนนี้